ผมนำหัวข้อที่ให้พิจารณาในพุทธานุสติคื อ, อวิชาและจารณะโดยเฉพาะเอาจารณะมาม า, มาตรึกนะพอตรึกมาถึงข้อแรกคือศีรละัมปทาใช่มสมบูรณ์ด้วยสีใช่ข้อที่สองก็คืออินทรีสังวรตอนตนี้เรามาตรึกถึงอินทรีสังวรเนี่ยถ้าให้เราคิดว่าเอเราจะสังวรยังไง ใช่ไหมเพราะว่ามันได้เคยสังวรมานานแล้วว่ากันเถอะนะที่เราจะสังวรยังไงเพราะว่าพระพุทธภาคทรงตรัสให้ศึกษาสามอย่างไหมไตรสิกขาศีลสิกขาเอ๊สีลสิกขาแต่ก่อนนี้เราว่าเรารู้นะพอมาเรียนเท่าจริงนี่เราแทบไม่เคยได้ศึกษาอะไรเลยการที่มีความรู้ศีลห้าสี 5, ส่แปดเด็กก็รู้อยู่นะแล้วเราถึงจะมีการปฏิบัติบ้บางก็ก็ไม่ได้สมบูรณ์ไรนักหนาะ เพียงเท่านี้หรือที่พระองค์ตรัสไว้หนึ่งในสามหัวข้อใหญ่ที่ให้เราศึกษาแสดงว่าต้องเป็นเรื่องใหญ่มากทีเดียวพอๆกันเท่าๆกันทีเดีย ว, ยวไม่ใช่ว่าปัญญาใหญ่หรือว่าจิตตะใหญ่นะถ้าที่จริงแล้วดูๆแล้วศีลจะเป็นเรื่องใหญ่มากนะในมิลินท์ปัญหาท่านกล่าวไว้เลยว่าศีลนี่เป็นพื้นฐานสาคัญมากเลยที่จะรองรับกุศลธรรมใหญ่ๆนะฮะ <c oughs> คือกุศลธรรมชั้นสูงเนี่ย ถ้าไม่มีศีลแล้วท่านบอกว่ายากนะไม่มีพื้นเพราะฉะนั้นผมก็จึงสนใจว่าเออต่อไปนี้เราน่าจะมีอินทรีย์สังวรบ้างมีอินทรีย์สังวรก็มันนึกว่าเออเราจะสังวรยังไงนะทางตาหูจมูกทิ้งกายเนี่ยเมื่อเห็นปฏิฆานิมิตหรือว่าสุภาณิมิตแล้วเนี่ยเราจะสังวรระวังยังไงก็มันนึกถึงอาจารย์อาจารย์บอกว่าโอ้มันสังวรย่างนะปล่อยให้มันเจอ ปฏิฆานิมิดแรงๆเนี่ยโดยที่ไม่ได้ตั้งตัวไปก่อนเนี่ยเหมือนกับไปชนกันแล้วเกือบจะชนกันอยู่แล้วไปเบรกอย่างนั้นนะเออพอมานึกถึงก็เออก็เป็นความจริงนะถ้าอย่างนั้นนะไอ้สังวรเนี่ยก็ควรจะต้องเริ่มต้นนะเริ่มต้นตั้งแต่ยังไม่เจอค่าศึกนี่นึกในใจนะคือนั่นก็หมายความว่าเราจะต้องมีอัตตาสัมมาปนิธิใช่ไหมครับมีอัตตาสัมมา ปณิธิคือตั้งตัวไว้ก่อนเลยว่าเออพอขึ้นรถว่าเออตอบนี้นะเราจะเจริญเมตตานะเพราะฉะนั้นขับรถไปแล้วใครจะเจอปาดหน้าปาดปาดหลังเออมันคงจะดีดีกว่าไม่ได้ตั้งนะมันอย่างที่ท่านผู้การท่านนั้นนะเอออย่างนี้เป็นความจริงผมนึกในใจนะเพราะว่าคำว่าสังวรนี่นะก่อนอื่นนะหลีกเลี่ยงก่อนใช่ไหมถ้าไม่เจอได้ดี ถ้าเป็นสิ่งที่ทําให้เราเกิดอกุศลนะสิ่งใดก็ดีนิมิตใดก็ดีทําให้เราเกิดอกุศลเนี่ยเราเลี่ยงซะได้เลี่ยงเลยนะครับนี่นี่อันเนยใช่ไหมถ้าจะทําอย่างนั้นเนี่ยอ่าถ้าจะเลี่ยงได้เลี่ยงเลยเนี่ยแสดงว่าต้องมีสัมปชัญญะต้องมีศาสตร์กาศัพปชัญญะนะผมก็เลยมา น, นึกว่าโอ้มันหลายอย่างนะธรรมะเนี่ยจะต้อง ปฏิบัติไปพร้อมๆกันหลายอย่างเลยมาเข้าใจว่าอัตตะสัมมาปณิทิก็ดีโยนิสโสมนัสิการก็ดีแล้วก็สัมปชัญญะสีโกดีอินทรีสังวรก็ดีนี่มันเรื่องเดียวกันใช่ไหมเอ๊ะนี่มันเรื่องเดียวกันอีกใช่ไหมเมื่อเราเข้าใจงี้แล้วเมื่อตรึกอย่างนี้แล้วนี่นะตึกไปตึกมามันได้เหตุผลอย่างนี้แล้วก็ทําให้เราเนี่ยมั่นใจแล้วก็เข้าใจเข้าใจได้ลึกซึ้งก็คงจะทําให้เราปฏิบัติได้มากกว่าเก่า ฮะพอได้เสร็จแล้วก็มีวิริยะเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับนี่เป็นอํานาจเป็นประโยชน์ของการเพ่งของการนําพระธรรมมาใคร่ครวญ น, นะดีกว่าที่เราให้ผ่านหูไปเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เราได้ยิน จ, กาจาักจั่งมานานได้ยินบ่อยด้วยนะเรื่องรถชนนี่นะท่านบอกเอาหมาจะไปเบรกตอนที่มันจะชนกันนี่มันก็โอ้โหมันยากเอ อ, อันนี้ก็ทําให้เราได้ <c oughs> ได้แง่คิดหลายอย่างครับวันนี้ก็ คงมีเท่านี้ครับการฝึกสาทธากสัมปชัญญะนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญท <c oughs> <G Charl ize> ี่สุดในชีวิตของเราเลยก็ว่าได้เพราะถ้าหากว่าเราทําอะไรแล้วไม่ปาราบถึงสัทธากสัมปชัญญะเนี่ยนะว่าอะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่เป็นประโยชน์เนี่ยถ้าแยกตรงนี้ไม่ออกนะพูดศาสนาเนี่ยเข้าไม่ถึงเลย เพราะว่าผู้ศาสนาเบื้องต้นท่านกล่าวถึงนะการเข้าไปหาสมณะพรามก็คือตายถามว่าอะไรมีโทษและไม่มีโทษ น, นะฉันั้นการที่เราจเจริญสากกะสามพชัญญาเนี่ยนะในขณะที่เราจะไปหรือจะมาจะถอยกลับเนี่ยนะจะไปหรือถอยกลับจะคูเข้าหรือเหยียดออกอันนี้เป็นเป็นสำนวนซึ่งฟังดูแล้วก็ธรรมดาผิวเินแต่ที่จริงแล้วเราจะเห็นว่าทั้งวันเลยนะเราหยับตัวตลอดเลย การขยับตัวเป็นต้นของเราเหล่านั้นเนี่ยนะศาสกะสัมปชัญญะเราเกิดไหมคหํานึงถึงประโยชน์ à, คําว่าประโยชน์นั้นส่วนใหญ่ก็จะมองประโยชน์ที่เห็นเห็นกันอยู่เนาะมองประโยชน์ที่เห็นเห็นกันอยู่เช่นการทํามาหากินเนี่ยนะเรียกว่าเป็นประโยชน์ที่เห็นเห็นกันอยู่การกระทําอะไรที่จะต้องเสียประโยชน์เหล่านี้เนี่ยเรารู้ทันทีเลยว่าเออนี่จะเสียประโยชน์เลยนะผู้สํานวนธรรมดาเราก็คือเออนี่จะเสียเงินแล้วนะเนี่ยส่วนใหญ่จะรู้เลยใช่ไหม ก็คือเสียประโยชน์ถ้าตรงไหนจะได้เงินเอ้ยนี่ได้ประโยชน์แล้วนะแต่ประโยชน์ไม่ได้มีอย่างเดียวนะอ่าไม่จำเพาะเฉพาะประโยชน์คือในโลกนี้เท่านั้นใช่ไหมยังมีส่วนที่เป็นประโยชน์ในโลกต่อไปอีกนะบางท่านห่วงว่าเอ๊ะจะค้าบุญขายบุญขายบาปค้านโกสวรรค์หรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่เลยเพียงแต่ว่าตามหลักของเรามีอยู่ว่าชาติสังสารวัรเนี่ยไม่ใช่มีอยู่ชาติเดียวนะ เมื่อไม่ใช่มีอยู่ชาติเดียวเนี่ยนะการทําประโยชน์ในโลกนี้เราเพื่อประโยชน์พบหน้าด้วยหรือเปล่าในขณะเดียวกันถ้าเราฟังปฏิจจสมุปบาทจะเห็นว่านะาน เ, เวทนาเนี่ยเป็นปัจจัยแก่ตัณหาสองอย่างนะคือเป็นปัจจัยแก่ตัณหาที่ทําให้เกิดการสแสวงหาด้วยแล้วก็เป็นปัจจัยแก่ตัณหาที่เป็นปัจจัยแก่อุ ป, ปาทานด้วยนะเป็นทั้งสองสาย เพาในขณะเดียวกันนั้นถ้าเราไม่สามารถที่จะยึดประโยชน์ในโลกหน้าไปพร้อมๆกันเนี่ยนะประโยชน์อย่างยิ่งมองไม่เห็นเลยนะประโยชน์อย่างยิ่งคือการพ้นจากวัตถทุกเนี่ยแทบไม่มีเลยเพราะฉะนั้นกรร ม, มสกตารของเราเนี่ยพยายามให้ให้มั่นคงที่สุดเท่าที่จะทำได้นะถ้าหากว่าเรามีกรร ม, มสกตามากเท่าไหร่เราจะไม่ปล่อยชีวิตของเราแล้วนะเราจะไม่ปล่อย นะบางแห่งท่านบอกว่าพ่อค้าพ่อค้าที่ที่ฉลาดเนี่ยนะสมัยก่อนเขาขนทางเกวีย น, นยอ่ะนะถ้าทางครูขระเป็นยังไงไปเนี่ยนะเพลาเกวียนเขาหักแน่ถ้าเพลาเกวียนหักเนี่ยนะจุดไม้ปลายทางเป็นต้นก็ไม่ถึงฝั่งอย่างแน่นอนอผู้ที่ท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏก็เหมือนกันขณะใดที่เราจะต้องไปล่วงอกุศลกรรมบทขณะนั้นเนี่ยนะเราหักแล้วนะอกุศลธรรมเราหักแล้ว ทนอกุศสกรรมบทนั้นมีกี่อย่างนะสามอย่างนะกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมถ้ามองกรรมทั้งสามอย่างนี้เป็นเป็นสมบัติแท้ของเราเองเลยนะกรรมได้แก่อะไรเจตนานะถ้ามองเจตนาที่เป็นไปในสัทวานสามเป็นสมบัติแท้ของเราแล้วนะไม่ใช่ชื่อสมบัตินะเจตนาแท้เลยนะเป็นของของตนจริงๆ เสร็จแล้วเราจะไม่กล้าปล่อยความคิดเหล่านั้นเลยนะเจตนาเป็นปัจจัยแก่อะไรเจตนาเป็นเจตนาเรียกว่าพบพบเป็นปัจจัยแก่อะไรเป็นปัจจัยแก่ชาตินะสังเกตเจตนาในแต่ละขณะแต่ละขณะที่ผ่านไปนั่นคือชาติต่ตอไปขงองเราชาติเป็นปัจจัยแก่อะไรชรามารณะชรามรณะเป็นปัจจัยแก่โสกะปริเทวทุกขโทมนัและอุปายาต ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งมวลนั้นย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้นะเพราะงองทุกทั้งหมดเนี่ยนะมีกรรมในขณะนั้นนั่นเองเป็นตัวสัตว์ไปนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเป็นกรรมของเราแล้วเราจะทําอะไรละ่ะนะชีวิตของเราเราจะทําอะไรนั่นแหละคือของแท้ของเราเลยอ่าถ้าหากว่าเราปล่อยชีวิตไปเฉยเฉยนะน่าเสียดายว่าพระพุทธศาสนาช่วยเราน้อยจริงๆเลยนะถ้ามองมองชีวิตอยู่แค่นี้นะ ผู้าศาสนาเกิดไม่เกิดก็ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรแก่เราเลยแต่ถ้าเรามองชีวิตขณะนี้เห็นว่าอความเป็นไปของกระแสชีวิตเราเป็นอย่างนี้นะแล้วคําสอนจะมีประโยชน์ทันทีเลยมีประโยชน์ตรงที่ว่าเราทําสิ่งในโลกนี้ก็จะเผื่อประโยชน์ในโลกหน้าแล้วในขณะเดียวกันการกระทําของเราก็เป็นบารมีด้วยเพราะเราตั้งใจเพื่อความสิ้นวัตถุทุกชัยไหมในบุญกุศลที่เราทํานั้นเรามีเป้าหมายชัดเจนเลยก็คือเพื่อ นะหรือขนตัวเองให้พ้นจากสังสารวัตรนะนะถ้าหากว่าเราไม่ได้ตั้งความปรารถนาไว้สูงส่งมากนะักอย่างน้อยก็หรือรือตัวเองเนี่ยให้พ้นจากสังสารทุกข์อันนี้ให้ได้เพราะว่ากรรมกรรมเหล่านี้เนี่ยเป็นเป็นของเราแท้ๆเลยซึ่งวันนี้เราจะได้พิจารณาเรื่องการเจริญมนิณีสนะีสังวรนะมรียีสังวรนะคืออะไรรู้ไหม เรียนเรื่องอุบายระงับความโกรธทั้งหมดเรียกว่ามณีสังวรคิดยังไงจึงจะไม่โกรธใช่ไหมคนที่ฉลาดคิดตามนี้แหละคนนั้นเรียกว่ามีมนณีสีสังวรขั้นแรกนึกถึงอะไรก่อนนึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้ารากอย่างหนึ่งก่อนอันนี้ก็เป็นอุบายอย่างหนึ่งในการรักษามนีสีสังวรข้อสอง คนที่เราโกรธก็น่าจะมีความดีอยู่บ้างอนะนะก็หาความดีของเขาสักอย่างหนึ่งอันนี้ก็เป็นวิธีที่เจริญมนีรีสังวรอย่าลืมว่าทั้งหมดหัวข้อต้นๆนี้เป็นเรื่องของศีลทั้งนั้นเลยนะยังไม่ได้เข้าเมตตาที่จะไปเป็นแผลเป็นอะไรสักอย่างหรอกแล้วความโกรธเกิดขึ้นทํายังไงจะได้ไม่โกรธและถ้าโกรธเกิดขึ้นเนี่ยอย่าว่าสมถะเลยศีลยังไม่ได้ใช่ไหมเคยมีไหมศีลโอ้โหโกรธแล้วเป็นศีลอย่างเงี้ยเป็นเป็นอคุโสลศีล นะอากุศละศีลแบบนี้ไปหะบายนะเพราะฉะนั้นอุบายในการระงับความโกรธทั้งหมดเหล่านี้คือเพื่อรักษามนิีสีสังวรให้เกิดได้บ่อยเกิดได้มากวิธีที่สามก็คือกุบายสิบอย่างคือการตามรละลึกนึกถึงทำสอนเป็นต้นหรือนึกถึงเป้าหมายของตัวเองนะว่าจริงๆแล้วเราเกิดมาในโลกนี้เพื่ออะไรใช่เกิดมาสแสวงหาทา นี้ผ่านเป็นต้นในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าความโกรธเกิดขึ้นมาตัวนี้แหละตัวขวางทางพระนิพพานเป็นต้นนั่นเองแล้ววิธีต่อไปก็คือการพิจารณาเรื่องกรรมนะเราก็มาด้วยกรรมของเราเขาก็มาด้วยกรรมของเขาถ้าเราโกรธแล้วเนี่ยเป็นปัจจัยให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้ไหมถ้าคนอื่นเขาโกรธแล้วเป็นปัจจัยให้ตรัสรู้อริยสัจธรรมได้ไหมเป็นต้นนั่นเองแล้วก็วิธีต่อไปก็คือการระลึกถึง บทพระเจริยาคุณของพระศาสดาว่าในสังสารสังสารวัตรด้วยสังสารทุกข์ด้วยน ะ, ะที่ใช้คําว่าสังสารวัตก็คือลําดับแห่งขันธาตุอายตนะที่เป็นไปโดยความเป็นกรรมกิเลสและวิบากหมุนไปในลักษณะนี้เรียกว่าสังสารวัตรไอสังสารอันนั้นมันทุกไหมนะนั่นแหละสังสารวัต ด, ด้วยสังสารทุกข์ด้วยที่พระ อ, องค์ต้อง ทนตรากตรำอยู่ในสังสารวัตตลอดระยะเวลาสีอสงไขยแสนกับเพื่อที่จะสงเคราะห์อนุเคราะห์เราทั้งหลายก่อนนึกถึงแต่ละชาติที่พระ อ, องค์ได้รับความทุกข์เสร็จแล้วพระ อ, องค์ก็ยังไม่ทอดทิ้งกุศลธรรมพระ อ, องค์ก็ยังรักษาบารมีธรรมคือขันติเป็นต้นของพระ อ, องค์ไว้ได้นะอันนี้ก็เป็นวิธีอย่างหนึ่งที่จะทําให้เราสํารวมใจไม่ให้เป็นบาปเป็นอกุศล น, นี่มาถึงวิธีที่6เลยนะวิธี ในหน้าสิบแปดเป็นหลักสูตรที่ใช้เวลาเรียนยาวมากตำราเล่ม น, นิดเดี๋ยวไม่ถ้าระงับความโกรธได้เยอะกวาอนุมโมทนาด้วยน ะ, สะแสดงว่าใกล้จบแล้วนะแต่ถ้าหากว่ายังโกรธเท่าเดิมนะับพลิกไปหน้าใหม่ได้เลยหน้าหนึ่งนั่นแหละนะกลับไปอ่านใหม่นั่นแหละนะเพราะว่าหมอให้ยาแล้วไม่ได้เรียกว่าโรคคือโทสซาเบนตน์ไม่ได้ระงับเลยนี่ก็สแสดงว่า ยาอาจจะผิดขนาดไปก็ได้นะหรือว่าไม่ได้บริโภคยาเลย <c oughs> <c oughs> มาดูวิธีที่หกนะก็คือการพิจารณาถึงความที่เคยเกี่ยวข้องกันในสังสารวัตินะเกี่ยวข้องกันในขณะที่ทํากรรมร่วมกันได้รับวิบากใกล้ๆกันนั่นแหละนะคาว่าวัตตาเป็นชื่อของนะคำว่าวัตตาเป็นชื่อของอะไรก่อน วตะนะวตัตเป็นชื่อของกรรมกิเลสและวิบากนะ ค, คำว่าสังสาระเป็นชื่อของลําดับแห่งขันธาตุอายตนะที่สืบเนื่องเป็นไปนี่แหละที่ยืนได้เดินได้นั่งได้นี่แหละเรียกว่าสังสาระละนะสังสาระที่นั่งอยู่นี่แหละส่วนหนึ่งก็เป็นกรรมส่วนหนึ่งก็เป็นวิบากส่วนหนึ่งก็เป็นกิเลสก็เป็นไปลักษณะนี้แหละนะอันคนที่เราโกรธอยู่เนี่ยนะ เขาอาจจะเคยเกี่ยวข้องกัน น, นะถ้าว่าตาแค่นี้นะแล้วก็เอ๊ะเขาทำไปความเสื่อมเสียให้แกเราใช่ไหมนึกถึงก่อนว่าที่ที่เราโกรธคนอื่นเนี่ยเพราะอะไรเพราะหนึ่งเขาเคยทำความเสียหายให้แกเราสองเขาจักทำความเสียหายให้แกเราสาเขากำลังทำความเสียหายให้แกเรามีสามนะหนึ่งเคยสองจักกำลังทำ แล้วก็ต่อไปอีกก็คือเขาเนี่ยเคยทําความเสียหายให้แก่คนที่เรารักเขาจัดทาความเสียหายให้แก่คนที่เรารักเขากําลังทําความเสียหายให้แก่คนที่เรารักนะคนที่เราพอใจเนี่ยนะเขาทําลายประโยชน์อ่ะอันนี้ก็เป็นเหตุให้เกิดความโกรธอย่างหนึ่งแล้วก็ต่อไปเขาเคยช่วยเหลือศัตรูเราเขาจัดช่วยเหลือศัตรูเรา เขากําลังอุปถัมภ์ข้าจุนศัตรูของเราอยู่เพราะฉะนั้นนะเขบอกว่าถ้าคุณช่วยศัตรูชั้นคุณก็เป็นศัตรูกับชั้นด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเหตุแห่งความโกรธแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็โกรธในฐานะที่ไม่สมควรนะนะเดินเหยียบหินไปก่อนโกรธอย่างเงี้ยลักษณะนี้โกรธในฐานะที่ไม่สมควรของพวกเรายังไม่ถึงขนาดโยมคนหนึ่งนะคนหนึ่งแกโกรธจริงจริงนะแกสมัยก่อนไม่ได้ใส่รองเท้าใช่ไหมทีนี้ตามถนนโบราณหน่อยนะ มันก็มีตอไม้ตออะไรโผล่ขึ้นมาแกก็เดินไปเตะปั๊บเข้าไปเนี่ยเลือดอาบเลยนะเหลียวกลับมาใหม่เอะตอก็ยังอยู่แล้วทำไงเอาเท้าเนี่ยหัวเข้าไปใหม่อีกอปั๊บหนึ่งกด้ไหมเอาลองอีกครั้งหนึ่งนะจนกว่าน่นแหละตอมจะแตกกันแนะ่ะเท้าก็หมดไปเกือบครึ่งนะั่นไนั่นแหละเออคนบางคนนี่โกรธขนาดนั้นเลยนะเจ้าโทสะเนี่ยโทสะจริงๆเลย นั้นความโกรธก็อย่างนี้เรียกว่าเกิดในฐานะที่ไม่สมควรนั้นอาคาตะวัตถุเก้หรือ10นะวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความโกรธ10อย่างหรือ9อย่างอแต่ตรงนี้เราก็นึกถึงว่าคนที่เรากําลังโกรธคนก็คือคนที่ทําความเสียหายเป็นต้นให้แก่เรานั่นเองทีนี้ถ้าหากว่าเมื่อเธอแม้พิจารณาบุพเจริยาคุณของภาษาสดาอยู่อย่างนี้ก็ยังเข้าถึงความเป็นธาตุของ กิเลสคำว่ากิเลสแปลว่าอะไรนะกิเลสนี่แปลว่าเครื่องเศร้าหมองของจิตนะสิ่งที่ทําให้จิตเนี่ยเศร้าหมองว่างั้นมันเศร้าจริงๆเลยนะถ้าโทสะเกิดเนี่ยดังั้นเป็นธาตุของกิเลสคือโทสะเนี่ยนะมาตลอดกาลนานเพราะไม่ได้เพิ่งโกรธวันนี้ใช่ไหมโกรธมายาวแล้วได้ปัจจัยก็โกรธได้ปัจจัยก็โกรธได้ปัจจัยก็โกรธมันโกรธมาบ่อยๆเนืองๆเป็นปกติอยู่อย่างนี้เขาเกิดมากอะ่ะ เพราะฉะนั้นปฏิฆานั้นก็ยังสงบไม่ได้นะนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าก่็แล้วนะไล่เลยชาดกสมัยนั้นเคยระงับโทสะได้สมัยนี้พระองค์ัวเอาชีวิตเป็นเดิมพันเขาทํำยังไงพระองค์ก็ไม่โกรธแต่เราก็ยังโกรธอยู่ดีนะเพราะว่าเป็นธาตุกันมานานแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นเธอก็ควรพิจารณาบทแห่งพระสูตรทั้งหลายที่เกี่ยวเนื่องด้วยสังสารวัตอันมีที่สุดที่บุคคลตามรู้ไม่ได้ ก็คือสังสารวัตที่เคยเกี่ยวข้องกันมายาวนานก็ในบทแห่งพระสูตรเหล่านั้นได้ตรัสบทต่อไปนี้ไว้แล้วว่าดูกอนพิสูจนทั้งหลายสัตว์ที่ไม่เคยเป็นมารดาไม่เคยเป็นบิดาไม่เคยเป็นพี่ชายน้องชายไม่เคยเป็นพี่หญิงน้องหญิงไม่เคยเป็นบุตรไม่เคยเป็นที่ดามิใช่หาได้ง่ายนะยากนักที่ไม่เคยเกี่ยวข้องกันเลยในสังสารวัร น, นะก็ต้องเกยเกี่ยวข้องกันอย่างใดอย่างหนึ่งในฐานะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นหลานเป็นต้นแต่ว่าตรงนี้เนี่ยนะมีคนหัวใสสมัยใหม่นะคนหัวใสเขาเขาเจอใครนะเขาทักเลยคนนี้อดีตชาติเคยเป็นพี่เป็นน้องกันเพื่อหาลาบแต่แต่จุดประสงค์ของพระพุทธพจน์ที่ตรัสสูตรเหล่านี้ก็เพื่อให้เห็นโทษของวัตตะ นะเพื่อเป็นอุบายในการระ ง, งับกิเลสแต่แต่คนบางคนก็เอาพระสูตรนี่แหละไปทำมาหากินเลยที่ใช้คํานี้ก็เพราะว่าเอาพระสูตรนี่แหละไปเที่ยวโฆษณาทักเลยนะเออเมื่อก่อนเนี่ยคนนี้เคยเป็นเป็นญาติกันน ะ, นะคนนี้เคยเป็นพี่กันคนนี้เคยเป็นน้องกันนะเขาก็จะได้ศรัทธาใช่ไหมแล้วก็จะเอาปัจจัยสี่เป็นต้นมาถวายนั่นเองอันนี้อันนี้ผิดผิดจุดประสงค์ของการกล่าวถึงพระสูตรนี้นะ เพราะฉะนั้นทำจิตให้เกิดขึ้นในบุคคลนั้นอย่างนี้ว่านะพิธีที่เราเคนึกถึงความเกี่ยวข้องกันในสังสารวัตเนี่ยก็นึกอย่างนี้ว่าได้ยินว่าผู้นี้ในอดีตเคยเป็นมารดาของเรานะยกตัวอย่างว่าเออคนที่เราโกรธเนี่ยนะถ้าเขาเคยเป็นแม่ของเราล่ะบริหารเราอยู่ในท้องมาตลอดสิบเดือนโอ้เขาดูแลลูกของเขาอะนะซึ่งคือเรานั่นแหละอยู่ในที่มาสิบเดือนเลย แม่คลอดออกมาแล้วก็ยังไม่รังเกียจปัสสาวะอุจจาระน้ำลายน้ำมูกเป็นต้นเช็ดให้นะเช็ดได้ราวกับว่ามันเป็นน้ำจันเหลืองอุจจาระเนี่ยนะแม่เขาล้างให้เนี่ยนะไม่ได้รู้สึกรังเกียจเลยเนาะให้นอนแนบอกใช้สะเอียกุ้มเลี้ยงดูไปก็ เ, เห็นเขาอุ้มเด็กนะฉั้นคนที่เราโกรธอยู่เนี่ยถ้าเขาเคยเป็นแม่เราอะ่ะเขาก็ทํากับเราอย่างนั้นทุกอย่างเลยอันนะ ความทุกข์ของแม่ที่เลี้ยงลูกกันนะเอ๊เขาเคยเป็นแม่เราเนี่ยนะเราจะไปโกรธเขาทําอะไรเนาะสมัยสมัยชาตินั้นอะ่ะชาติไหนอะ่ะชาตินั้นอะ่ะในอดีตนี่นยแหละเคยทุกข์พาะเราก็มากมายมหาศาลอ่ะเนาะหรือเคยเป็นบิดาเดินไปสู่ทางแพะพูดถึงการทํามาหากินแบบสมัยโบราณอ่ะเนีก็คือทางที่มันเป็นไปลําบากเป็นทางขรุขระในเวลาไปทํามาค้าขายเป็นต้นนะไปทําเลือกสวนไร่นา <c oughs> และทางที่จะต้องใช้ขอเกี่ยวเป็นต้นนะก็คือปีนป่ายภูเขาขึ้นไปนะประกอบการค้าขายยอมสละแม้ชีวิตเพื่อประโยชน์แกเรานะพ่อแม่บางคนถึงกับไปเข้าในในการสงครามที่มีกระบวนทัพจากสองฝ่ายนะก็คือพ่อแม่บางคนก็อาชีพทหารใช่ไหมพออาชีพทหารเนี่ยกว่าจะได้แก้แหวนเงินทองทรัพย์สินมาเลี้ยงดูลูกหลานเนี่ยนะ ก็ต้องเข้าไปสู่สงครามเนี่ยนะบางคนก็เสียแขนเสียขาเป็นต้นมาจากสงครามนะอย่างนึกถึงทางภาคอีสานบางบางท่านเนี่ยน ะ, อะพอมีครอบครัวเข้าก็มีไอ้สงครามเวียดนามว้ก็สมัครกันไปนะสมัครกันไปบ้างบางคนกลับมาก็พิการมาก็มีแต่ที่ไปก็เห็นว่าเออมันก็สา ม, มารถที่ถ้ามีรายได้ก็กลับมาเจริญเจือครอบครัวได้ถึงก็ยอมไปเลยนะเข้าสู่สงครามเป็นต้น หรือแล่นเรือไปในมหาสมุทรและกระทำการงานที่ทำได้ยากอื่นๆด้วยคิดว่าเราจักเลี้ยงบุตรจึงรวบรวมซัพ์ไว้ด้วยอุบายนั้นๆเลี้ยงดูเรานะถ้าเขาเคยเกิดเป็นพ่อเราเขาเพิ่งทำประโยชน์ทำความเสียหายให้แก่เราในชาตินี้แต่ว่าในอดีตชาติโน่นเนี่ยนะสมัยที่เขาเคยเกิดเป็นพ่อเราเนี่ยนะเขาทำมาหากินอาบเหงื่อต่างน้าเหน็ดเหนื่อยสายตัวแทบขาด เพื่อเลี้ยงดูลูกของเขาก็คือเราในอดีตชาตินั่นและหรือเขาเคยเป็นพี่น้องชายพี่น้องหญิงบุตรและธิดาทำการอุปการะเรื่องนั้นและเรื่องนี้แก่เราเพราะฉะนั้นการที่เราทำจิตให้ประทุสร้ายในบุคคล น, นั้นไม่สมควรเลยดังนี้เถ อ, อนนะให้หานึกถึงพระสูตรเหล่านี้ก็ได้นึกถึงความเกี่ยวข้องกันในสังสารวัรนี้เราก็จะได้ไม่นึกโกรธเขา น, นะ ซึ่งในตรงนี้นะเราก็น่าจะได้ฟังพระสูตรเต็มในสังยุตตนิกายนิทานวักอนะมะตักขะสังยุตนะในเล่ม26สบนะฉบับนี้เล่ม26สบฉบับ91เอเล่มนะสังยุตตนิกายนิทานวักกล่าวถึงว่าด้วยที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายของสังสารวัตรนะที่บุคคลเนี่ยตามรู้ไม่ได้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 ขันธาตุอายตนะนะนะขันธาตุอายตนะเนี่ยตาเห็นหูได้ยินนี่แหละเรียกว่าสงสารแหละลำดับแห่งขันธาตุอายตนะที่เป็นไปไม่ขาดสายเรียกว่าสงสารหรือสังสาระสงสารนี้กําหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชาเป็นที่การตั้นนะอวิชาเนี่ยนะปกปิดสัจจะคือความเป็นไปแห่งสังสาระเหล่านี้ มีตันหาเป็นเครื่องประกอบไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏก็เป็นไปในลักษณะนี้นะก็เหมือนกับชีวิตของเรานั่นแหละตั้งแต่เช้าจนเข้านอนตื่นเช้าไม่เข้านอนตื่นเช้ามาเข้านอนก็วนอยู่แบบนี้นะเฉพาะชาตินี้ก็ตั้งหลายสิบปีใช่ไหมแล้วไม่ใช่ชาติเดียวนี่อดี ต, ตชาตินะอดีตอดีตในอดีตไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยดูการพิสูจทั้งหลายเหมือนอย่างว่า บุรุษตัดทอนหญ้าไม้กิ่งไม้ใบไม้ในชมพูทวีปนี้แล้วจึงรวมกันไว้นะก็คือตัดให้เป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นชิ้ น, น, นมาวางกองให้หมดเลยนะถอนรากถอนโคนต้นไม้ทั้งชมพูทวีปหรือว่าทั้งหมดเลยอ่ะนะคิดดูนะสมัยก่อนเนี่ยป่าไม้มากขนาดไหนนะครั้นแล้วเพลิงกระทําให้เป็นมัดมัดละสี่นิ้วนะเหมือนกับเป็นยาสมุนไพรนะเป็นมัดเป็นมัดเล็กๆอะ่ะ วางไว้และสมมุติว่านี้เป็นมารดาของเรานี้เป็นมารดาของมารดาของเรานะแม่ของแม่แม่ของแม่เนะแม่ของแม่เรียกว่าอะไรนะ่อุ้ยเนาะอ้าวไม่ใช่อุ้ยเหรอนะและแม่ของแม่เออแม่ของยายอีกครั้งเรียกอะไรทวดนะแม่ของทวดอ่ะมันและแม่ของมันนะนั่นแหละแม่ของแม่แม่ของแม่แม่ของแม่แม่ของแม่ก็ไล่ไปเรื่อยอย่างเงี้ย อันนั้โคนละมัดคนละมัดคนละมัดคนละมัดเรียงกองไว้อย่างนี้โดยลำดับมารดาของมารดาแห่งบุรุษนั้นไม่พึงสิ้นสุดส่วนว่ายญ้าไม้กิ่งไม้ใบไม้ในชมพูทวีปนี้พึงถึงการหมดสิ้นไปข้อนั้นเพราะอะไรเพราะว่าสงสารนี้กาหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีวิชาเป็นที่กลางกั้น มีตันหาเป็นเครื่องประกอบไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏพวกเธอได้เสวยทุกความเผ็ดร้อนความพินาศได้เพิ่มภูนปตัตตภีเป็นที่ป่าชา้านะเพิ่มภูนปตัตตภีที่เป็นป่าชา้าตลอดกาลนานนะตามเพิ่มปา่าช้าครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าตลอดกาลนานเหมือนฉะนั้นดูก่อนที่สุทั้งหลาย ก็ด้วยเหตุเพียงเท่านั้นพอทีเดียวที่จะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอเพื่อจะคลายกำหนัดพอเพื่อจะหลุดพ้น น, นะน่าจะพอได้แล้วนะอ่างนั้นเนหะอเห็นข้อความตรงนี้เมื่อไหร่นะก็นึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระผู้มีพระภาคกันนะเหมือนกับพ่อแม่ที่เห็นลูกไปเที่ยวนะไปเที่ยวบ่อยนะเอ้ยลูกเอ้ยลูกก็เที่ยวมานานแล้ว น่าจะพอบ้างแล้วนะอะไรเงี้ยนะพูดด้วยความเป็นห่วงเป็นยายเป็นโต้นนั่นเองอตรงนี้ก็นึกถึงพระผู้มีพระภาคที่ทรงตรัส ด, ด้วยพระมหากรุณาที่คุณนะ่ะนะทรงกล่าวถึงความเป็นไปในสังสารวัตรซึ่งมันยืดยาวที่บุคคลทั่วไปเนี่ยตามรู้ไม่ได้เนี่ยนะพระองค์ก็ด้วยพระมหากรุณาที่คุณพระองค์ก็เตือนนะ่ะนะบอกว่าน่าจะพอแล้วว่างั้นเถอะไปมามากแล้วพักซะบ้างเถอะอย่างเงี้ยนะ อีกสูตรหนึ่งว่าในสูตรนี้ที่จริงเขาเรียกว่าเป็นสังยุตเลยหมวดที่พระองค์ตรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็เยอะนะซึ่งเราจะได้ฟังพี่ารณาหลายๆสูตรเอาอีกสูตรหนึ่งก็เชื่อว่าปทวสูตรพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีกรุงสาวัตถีครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกพี่สาทั้งหลายแล้วได้ตรัสว่า ดูกานพิสูจนทั้งหลายสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชาเป็นที่กลางกัน้นมีตันหาเป็นเครื่องประกอบไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏดูกานพิสูจนทั้งหลายเหมือนอย่างว่าบุรุษปั้นมหาปฏาปีนี้ให้เป็นก้อนในพระไตรปิฎกทั่วไปนี่กล่าวถึงว่ามหาปฏาีคือแผ่นดินนี่นะ หนาสองแสนสี่หมืยอดนะประมาณสองแสนสี่หมื่นยอดคูณยอดหนึ่งประมาณสิบหกกิโลเมตรเนี่ยนะคูณเข้าไปน ะ, ะ, ะไม่เอาละ <c oughs> ตัวเลขเยอะจัด <c oughs> <c oughs> นะแผ่นดินเนี่ยซึ่งหนาอย่างเงี้ยเนี่ยนะปั้นให้เป็นก้อนก้อนละเท่าเม็ดกระเบาเม็ดกระเบาเนี่ยนะกับเม็ดมะขามเนี่ยนะดูจะกเกือบเท่าๆกัน เม็ดกระเบาะจะเล็กกว่านิดหน่อนยะเม็ดกระเบาเนี่ยนะเอาแผ่นดินเนี่ยมาปั้นเป็นก้อนเล็กๆแล้ววางไว้สมมุติวันนี้เป็นบิดาของเรานี้เป็นบิดาของบิดาของเราเป็นปู่เออนี่เป็นพ่อเหมงอนกันเถอะนี้เป็นปู่นี่เป็นปู่เอ่อเป็นพ่อของปู่เรียกว่าอะไรนะทวดนะแล้วพ่อของทวดอะ่ะอะไรนะัเมื่อกี้อันนึกไม่ออกเลยนะ บัณพาบรุษยังจำมันก็ได้เลยล้มาก็ไม่รู้เหมือนกันนั่นแหลพ่อของพ่อของพ่อของพ่อของพ่อไล่ไปเรื่อยอย่างนี้นะมสมมุตินี้ว่าเป็นบิดาของเรานี้เป็นบิดาของบิดาของเราโดยลําดับบิดาของบิดาแห่งบุรุษนั้นไม่พึงสิ้นสุดส่วนมหาปัตตพีนี้พึงถึงการหมดสิ้นไปเอาแผ่นดิยวนี้มาปั้นนี่เดียวเองนะเท่าเม็ดกระเบลเนี่ยเท่ากับเม็ดมะขามหวานนั่นแหละนั่นแหละ มาปันป่นปัน่ันแผ่นดินนี้หมดก่อนนะนะพ่อของพอ่อของพอ่อของพอ่อของพอ่ อ, พอนะหลายพันล้านครั้งมากส่วนมหาปัตตพีนี้พึงถึงการหมดสิ้นไปข้อนั้นพ่อเหตุไรเพราะว่าสงสารนี้กําหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้นะข้อความก็ละที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏพวกเธอได้เสวยทุกความเผ็ดร้อนความพินาศได้เพิ่มพูนปัตตพีที่เป็นป่าชา้า ตลอดกาลนานเหมือนฉะนั้นนะเพราะความที่สังสารวัตมันมากขนาดนี้นะได้หนึ่งอรมณ์ปัจจัยปั๊บเราร้องไห้ทันทีเลยน ะ, ะเคยได้ยินนะนั่งกันอยู่เฉยเฉยเนี่ยบอกว่าพ่อเสียชีวิตเท่านั้นเองนะโหรงมกันเลยอ่ะนะพอบอกว่ายติเสียชีวิตเท่านั้นเนี่ยโหร ง, งมขึ้นมาทันทีเลยนะโทสะมันได้ปัจจัยเร็วมากนะโลภะถ้าได้ปัจจัยก็เกิดเร็วมากเหมือนกันนะอวิชชาเนี่ยนะไม่รู้ว่าเกิดทุกข์ที่าง อวิชาเกิดเป็นปกติว่างั้นเหรอท่นมันตลอดยืดยาวนานขนาดนี้เคยได้ยินเขาแปลอาสวะไหมคำว่าอาสวะก็คือหมักดองอ่ะนะมันหมักอยู่นานเขาบอกว่าอุปมาเหมือนกับพวกไหสุราเป็นต้นเนี่ยเป็นเครื่องหมักเครื่องดองอวิชานี่ก็หมักในสันดานของสัตว์ทั้งหลายก็ลักษณะนั้ น, น่ะหมักดองมายาวนานมากเพราะได้ปัจจัยเป็นต้นปั๊บกิเลสอาสวะต่างๆก็เกิดขึ้นอ่ะนะ ตลอดการละนานอย่างนี้เนี่ยนะดูการพิสูจน์ทั้งหลายด้วยเหตุเพียงเท่านี้พอทีเดียวเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวง น, นะนี้พระองค์ก็แสดงถึงอะไรถ้ากล่าวถึงขนาดนี้แล้วโน่นแหละแถวแถวใกล้ๆมรรยาน์ทั้งนั้นแหละนนะเพื่อให้เห็นความเป็นไปแห่งสังสารทุกขน์นะนะว่ามันยาวนานเกิดใหม่ก็อย่างนั้นแหละเกิดมาก็เพื่อความเป็นคล้ายๆอย่างนี้อีก ถ้าได้เท่านี้ก็ดีไปเยอะไหมกลัวมันจะหนักกว่า น, นี้อีกติน่าสงสารเนี่ยเพราะฉะนั้นพอทีเดียวนะที่จะเบื่อายในสังขารทั้งปวงสังขารทั้งปวงคืออะไรบ้างสังขารได้แก่คําว่าสังขารได้แก่สังขารธรรมนะจิตเท่าไหร่จิตเท่าไหร่นะเจ็ดแปดสิบเอดนะเจตสิบห้าสิบสองนะแล้วอะไรอีกรูปยี่สิบ พวกนี้ทั้งหมดเรียกว่าสังขารทั้งปวงในสังขารทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะของเราถึงแปดสิบเอ็ดไหมไม่ถึงนะเท่าไหรนะ่นะเวนมหากิริยาออกไปแปดหาสีตุปาธจิตออกไปอีกหนึ่งเหลือเท่านั้นแหละนะเอาออกเก้านะอาออสี่สิบห้าเอห้าสิบเสียออกเก้าเท่ากับสี่สิบห้าดวงมีเท่านี้แหละสลับกันไปนะ แต่ส่วนใหญ่สิบสองอ่ะสลับมากหน่อยนั่นแหละก็สลับวนวนแล้วสิบสองเนี่ยมีประมาณสี่อ่ะที่สลับมากมหน่อยนะโลภะทิฏฐิขตวิปยุทธ์เนี่ยก็สลับกันไปส่วนใหญ่นี้สําหรับผู้ที่ศึกษาพระธรรมนะถ้าผู้ที่ไม่ศึกษาพระธรรมก็ทิฏฐิคตะสัมปยุทธ์เกิดร่วมด้วยนะเพราะว่าอัตตาเนี่ยนะหรือสกายทิฐิเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดกับปุถุชนผู้ไม่ได้สับ ไม่ได้ฟังพระธรรมนะมก็อะโยนิโสเกิดขึ้นสําคัญรูปโดยความเป็นเป็นตนแต่ผู้ที่ศึกษาพระธรรมนั้นก็จะเข้าใจถึงความเป็นไปของสังขารใช่ไหมอย่างเมื่อก่อนเนี่ผู้ที่ไม่ศึกษาพระธรรมนะก็จะจิตเนี่ยที่เห็นเนี่ยจะนึกว่านึกว่าเป็นตัวอัตตาเนี่ยเป็นตัวเห็นใช่ไหมของเรานี่มีจิตเกิดแช่อยู่ก่อนหน้านี้ไหมไม่มีเนาะพอได้ปัจจัยจิตจึงเกิดขึ้นนะได้ปัจจัยจิตจึงเกิดได้ปัจจัยจิตจึงเกิด ันถ้าได้ปัจจัยเนี่ยทวีปัญจก็เกิดหมดปัจจัยก็ไม่เกิดถ้าได้ปัจจัยชาวนะก็เกิดหมดปัจจัยก็ไม่เกิดแต่ว่าปัจจัยปัจจัยของผวังเนี่ยนะมีเกือบตลอดเวลามีเป็นปกติเนี่ยนะเพราะว่าผวังนั้นเป็นจจตชาติวิบากนะกรรมในอดีตเป็นปัจจัยให้และหัตถยวถุเป็นต้นเป็นเป็นวัตถุเป็นที่อาศัยเกิดันสังขารทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะ เมื่อเห็นความเป็นไปแบบนี้ซึ่งยาวนานมากก็ควรที่จะคลายกำหนัดคลายกำหนัดเป็นชื่อของวิราคานะควรแล้วที่จะคลายกำหนัดพอเพื่อจะหลุดพ้นหลุดยังไงอ่าถ้าใช้คําว่าหลุดพ้นเนี่ยหลุดอย่างไรหลุดจากอุปาทานทั้งสี่ประการในอารมณ์นั้นๆนะควรที่จะหลุดจากสีด้วยอํานาจพ้นด้วยจากกามุปาทาน พ้นจากที่ตุปาทานพ้นจากสีลพตุปาทานพ้นจากอัตวาทุปาทา น, อ, น, นอ่ะถามว่าเมื่อกล่าวบอกว่าควรที่จะพ้นเนี่ยพงได้กล่าวข้อปฏิบัติหรือยังควรที่จะพ้นพงตอนนี้เนี่ยพอมาถึงตอนหลังเนี่ยอตอนท้ายๆสูตเนี่ยตอนต้นๆ น, น, นี่บอกว่าสงสารนี้กาหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้ เมื่อเราสัตว์ผู้มีอวิชาเป็นที่กางกัน้นมีตันหาเป็นเครื่องประกอบไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏนี้เท่ากับว่าพระองค์ประกาศข้อปฏิบัติหรือยังกล่าวเลยนะสังสาระเนี่ยนะสังสาระเป็นชื่อของขันธ์ธาตุอายตนะเป็นสัจจานายัยนะเป็นทุกข์สัตย์อวิชาเป็นที่กางกัน้นมีตันหาเป็นที่ประกอบไว้เป็นชื่อของ ฝักฝ่ายแห่งสมุทัยสัตว์แล้วพระองค์ก็พูดถึงไอสังสาระเหล่านี้ที่มันเป็นไปก็เท่ากับประกาศว่าสิ่งเหล่านี้หน้าเบือน่ายเมื่อหน้าเบือหน่ายก็เป็นชื่อของอะไรที่เข้าไปเบือหนายเป็นชื่อของปัญญานะเป็นชื่อของอปัญญาที่เข้าไปเบือน่ายเพราะว่ากล่าวว่าอวิชชาเป็นที่กลางกัน้นมีตันหาเป็นเครื่องประกอบไว้ท่องเที่ยวไปเนี่ยกมัมมกตานี่มั่นแหละขณะนี้ นะความเป็นไปอย่างนี้มันยาวนานนะมันไม่มีเบื้องต้นไม่มีที่สุดควรที่จะเบื่อหน่ายอันนี้เป็นประเภทนิพพิทายานเป็นต้นสังสารวัตก็เป็นไปอย่างนี้ควรแล้วที่จะคลายกำหนัดนะออตอนแรกนะบอกควรแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายถ้าคำว่าเบื่อหน่ายเป็นชื่อของบาลีว่าอาทีนวะอาทีนบเบื่อหน่ายอาทีนวายานเพื่อที่จะคลายกาหนัดวิราคะอริยมรรต พอที่จะหลุดพ้นได้แก่อริยผลนะควรแล้วที่จะนิพพิทาวิราคะและมรรคผลเกิดขึ้นได้แล้วสมควรที่จะเกิดได้ทุกทีนึ่งนะมันยาวมานานเรื่องเกินสังสารวัฏนี่นะประกาศากสัจจะสี่เรียบร้อยนะเราก็ได้บุญอีกทีหนึ่งเนอะได้ฟังเรื่องอริยสัจเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าการฟังพระสัพธรรมหาได้ยากได้ยินก็ยังดีตรงนี้เนี่ยนะถ้าเราอ่าน คัมภี์ใหม่ๆเราจะไม่มีทางรู้เลยไม่มีทางรู้เลยว่านี่เป็นพระองค์กล่าวตั้งแต่เบื้องต้นเบื้องทรามกลางที่สุดครบหมดเลยนะแม้แต่ว่าพระสูตรสั้นๆนะบางสูตรท่านลองเผื่อเจอนะเอาอย่างสั้นๆเลยครบหมดเลยนะนี่ก็ค่อนข้างสั้นนะนะพระสูตรนี้นะนค่จนข้างนแล้ ว, ลวมีอุปมาให้ด้วยนะปูข่ของปู่หองปู่หองปู่นะพ่อของพ่อของพ่อของพ่อไปเรื่อยอย่างเงีง้ยมันน่าจะเบื่อนะแต่ก็สนุกดี ในอ ส, สุอ ส, สูรอสูแปลว่าอะไรน้ำตานะนะว่าด้วยเปรียบน้ําตากับน้ําในมหาสมุทรในกรุงสาวัตถีวัดพระเชตวันเหมือนเดิมณนะที่นั้นแหลพระผู้มีพระภาคเจ้าตาเรียบพิสูจนทั้งหลายแล้วได้ตรัสว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายสงสารนี้กําหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้นะข้อความกละ พวกเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไงน้าตาที่หลังไหลออกของพวกเธอผู้ท่องเที่ยวไปมานะน้ำตาเนี่ยต้องเกิดจากความเสียใจนะนะน้ำตาเนี่ยนะที่หลังไหลความครําครวร้องให้อยู่เพราะประสบสิ่งที่ไม่พอใจเพราะพลัดพรากจากสิ่งที่พอใจโดยกาลนานี้ กับน้ําในมหาสมุทรทั้ง4 ส, สิ่งไหนจะมากกว่ากันนะความรักมีอะไรเป็นผลความรักมีโศกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปาญาตเป็นผลเพราะสิ่งอันเป็นที่รักนั้นแปรปรวนไปนะังั้นผลของโลภะก็คือโทสะโลภะเป็นสมุทัยสัตว์โทสะเป็นทุกขสัตว์นะนั่นก็สัจจะอีกก็ยังไม่ค่อยเห็นนี่นะ ภิกษุเหล่านั้นก็ทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์ย่อมทราบธรรมะตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแล้วว่าตรงนี้เนี่ยนะเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยน้ำตาที่หลั่งไหลออกมาเนี่ยก็อาศัยศรัทธาก่อนนะนะอาศัยทราบจากพระผู้มีพระภาค น, นะด้วยปัญญาของตัวเองเนี่ยมองไม่เห็นหรอก นะก็ได้รู้จากที่พระองค์ทรงแสดงแล้วว่าน้ำตาที่หลังไหลออกของพวกข้าพระองค์ผู้ท่องเที่ยวไปมาคร่ำครวญร้องให้อยู่เพราะการประสบสิ่งที่ไม่พอใจเพราะการพ ร, พราพลาคจากสิ่งที่พอใจโดยกาลนานนี้แหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยนะไม่ให้ไม่ให้มหาสมุทรเราเนะอ่ยคำว่ามหาสมุทรที่ ต้องถามคุณรุ่งอนะว่างๆไปถามคุณรุ่งดูนะว่าอที่ที่ตรงกลางเนี่ยนะมันมีเขาพระสุเมนใช่ไ้ยมันก็จะมีมาหาสมุทรทั้งสี่เนี่ยเขาเขียนภาพได้ <c oughs> นะตามมาเล่าฟังไม่ค่อยถูกหรอกนะ้มาหมายถึงมาหาสมุทรตรงนั้นแ่ละนะตีนเขาพระสุเมนแหะคุณรุ่ง <c oughs> พิสูทธิ์พระองค์ก็ตรัสต่อไปว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลาย ถูกละถูกละพวกเธอทราบธรรมะที่เราแสดงแล้วอย่างนี้ถูกแล้วน้ําตาที่หลังไหลออกของพวกเธอผู้ท่องเที่ยวไปมาคร่ําครวญร้องให้อยู่เพราะประสบสิ่งที่ไม่พอใจเพราะพลัดพรากจากสิ่งที่พอใจโดยการนานี้และมากกว่าน้ําในมหาสมุทรเหมือนกันส่วนน้ําในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยโอ้เก็บน้ำตาของเราไว้คนเดียวเนาะ แสดงว่าเราคิดดูนะว่าถ้าต้องเสียน้ําตามากกว่าน้ําในทะเลมหาสมุทรนะจะต้องใช้โทสะกี่ชวนาะนะชาวนาเนี่ยนะนนะมันโทสะที่ทําให้เกิดน้ําตาส่วนใหญ่โทสะใช่ไหมตรงนี้เนี่ยต้องเป็นชาวนะที่เป็นโทสะนเนี่ยมันจะต้องโทสะมากขนาดไหนจึงจะได้น้ําตาเท่านี้นะคิดดูว่ามันโทสะอย่างเดียวเนี่ยนะไอดวงที่สองถึงดวงที่หกเนี่ยยังไงก็ไม่หมดใช่ไหม เออที่ดวงที่สองถึงดวงที่หเนี่ยนะถ้าล่วงกรรมบดให้ผลนําเกิดได้เพราะฉะนั้นอปิราปริยะเวทนิยกรรมหรือกะตะตั้วาปรณนะกรรมไม่ต้องห่วงถ้ากรรมชาตินี้ไม่ให้ผลนําเกิดพวกนี้นะที่ร้องให้ในอดีตมาให้ผลนําเกิดได้หมดไม่ต้องห่วงอ่ะโอ้ยังเกิดอีกยาวอย่างเงี้ยนะเพราะกรรมยังเหลือเยอะเหลือเกินเพราะฉะนั้นน้ําตาในน้ำอ่า น้ำในมหาสมุทรทั้งสีเนี่ยนะไม่มากกว่าน้ำตานั้นเลยพวกเธอได้ประสบมรณะกรรมของมารดาตลอดกาลนานน้ำตาที่หลั่งไหลออกของพวกเธอเหล่านั้นผู้ประสบมรณะกรรมของมารดาคร่ำครวญร้องให้อยู่เพราะประสบสิ่งที่ไม่พอใจเพราะพลาดพลาดจากสิ่งที่พอใจนั่นแหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสีไม่มากกว่าเลย ร้องไห้พระแม่ตาอย่างเดียวก็มากกว่าน้ําทะเลแล้วนะวันนี้ปลาเข้าไปกี่ทะเล8ทะเลแล้วนะ8มหาสมุทรแล้วเนี่ยพวกเธอได้ประสบมรณกรรมของบิดาอันนี้ก็อีก 4-, 4ีสมหาสมุทรของพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวเนี่ยนะก็มากนะก็คูณสีเข้าไปเรื่อยๆ เ, เข้าไปอีกของบุตรของลูกกันนะของธิดาบุตรก็คือลูกชายทิดาก็ลูกสาว อันนี้ก็ร้องไห้ก็มากกว่าน้ําในทะเลเอกความเสื่อมแห่งยอดนะต้องต้องพลัดพรากจากญาติเป็นต้นนั่นเองความเสื่อมแห่งโพคะนะเสียทรัพย์แล้วก็ร้องไห้เนี่ยนะนะนี่ก็มากกว่าน้ําในมหาสมุทรได้ประสบความเสื่อมพ่อโรคนะโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนแล้วต้องทําให้เสียน้ําตานเะมื่อวานไปเยี่ยมคุณบุญชูเขาบอกว่าอ ข้างข้างหูเขาเนี่ยนะมันมีรูใช่ไหมมันก็เป็นหนองอยู่ข้างในอะ่ะนี่มันก็ต้องต้องผ่าที่ที่กกหูนะผาที่กกหูเสร็จแล้วก็ใช้สว่านเนี่ยเจาะเจาะแล้วก็กรอเอาน้ำหนองเนี่ยออกมาเขาบอกว่าผ่าจา์เอยมันปวดจริงๆนะว่านบอกหมอผมทนไม่ไหวแล้ว่กรอเอาออกอะ่ะกรอเอาน้ำหนองออกเพราะว่าตอนหลังๆมาก็บอกว่า ผมไม่ได้ไปฟังธรำเพราะว่ามันมีกลิ่นแนละ้วผมเลยไม่ไปกลัวจะรบกวนคนอื่นนะนะบอกว่าถ้าผมไม่ผ่าอะนนะเชื่อนี่มันจะเข้าไปในสมองถ้าเข้าไปในสมองก็จะเป็นคนเจ้าชายนิทราเลยเขาว่างันเพราะฉนั้นก็เลยมีวิธีสุดท้ายก็คือนะผ่าตรงกกหูแล้วก็ใช้สว่านเนี่ยเจาะกระโหลกนี่นแหละแล้วก็ดูดเอาน้ำหนองออกกรอออกเนี่ยนะบอกมันร้อนหมดเลยเขาว่านั่นแหะแต่เขาบอกว่าครั้งนี้เมื่อเทียบกับผ่าตัดครั้งก่อนๆ น, นู้นเขาว่า ผ่<ส>ตาตักครั้งก่อนๆนู้นเนี่ยนะคนเฝ้าไข่เนี่ยเครยียดเลยครับว่าเพราะผมไม่รู้สึกยิ้มแย้มเลยเพราะว่าตอนนั้นไม่ได re hmm ้ศึกษาพระธรรมบ้างเลยนะตอนหลังมาแกก็ศึกษาพระธรรมแต่ก็ยิ้มแย้มแจ่มใสขนาดพาเสร็จแล้วยังสนทนาธรรมต่อเลยก็ก็สนทนาธรรมได้อะทีนี้ก็ เจริญพุทธคุณเจริญธรรมะน่าดูเขบอกว่าตอนนี้ผมเข้าใจเรื่องกรรมมากเยอะเลยเขาบว่านะผมไปทํากรรมอะไรมาเนี่ยมันเลก็ทําให้ซึ้งในเรื่องกรรมมากประมาณนั้นที่เจรณาเรื่องกรรมได้เยอะว่ามาณนี้เข้าใจเรื่องกรรมมากกว่าเก่าเขาบว่าอยงนั้นสมัยที่ทุกไม่มากก็เออเชื่ออยู่บ้างเหมือนกันมีศรัทธาในเรื่องกรรมแต่พอมันต้องเจาะขนาดนี้โอ้โหศรัทธาในเรื่องกรรมมากขึ้นปรว่างนั้นะไปเยี่ยมมาเมื่อคืนเนี่ยกับผู้การเนี น้ำตาที่เสียต้องต้องน้ำตาร่วงเพราะเพราะโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยนะไม่ใช่น้อ ย, อยเลยนะบอกว่าตลอดกาลนานน้ําตาที่หลั่งออกของพวกเธอเหล่านั้นผู้ประสบความเสื่อมเพราะโรคคร่ำครวญร้องให้อยู่เพราะประสบสิ่งที่ไม่พอใจเพราะคลาดพลากจากสิ่งที่พอใจนั่นแหละมากกว่าส่วนน้ําในมหาสมุทรทั้งสีไม่มากกว่าเลยข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะว่าสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้นะสังสาระเนี่ยนะขันธาตุอายตนะขันแล้วขันเล่าขันแล้วขันเล่านะทวารแล้วทวารเล่าอายตนะแล้วอายตนะเล่านะเออจากตาไปไปได้ยินเนี่ยน่าเบือ่อเลยยังเห็นไหมเออเขาว่าไงนะชัดๆอีกหน่อยไหมอยากได้ยินด้วยเนาะนั่นะมันก็ยินดีแบบเนี้ยถ้ายินดีในเสียงทำให้มีอะไรนะ ถ้ายินดีในเสียงสร้างหูใหม่ยินดีในกลิ่นสร้างจมูกใหม่ถ้ายินดีในรสสร้างลิ้นใหม่ยินดีในอุณภูมิความเย็นความร้อนเย็นร้อนอันแข็งเป็นต้นสร้างกายใหม่ยินดีในสีสร้างตาใหม่โอยินดีไปหมดเลยแดงแว่าอีกยาวแล้วเกินนั่นเนะอนสงสรรสสารก็เป็นไปในลักษณะนี้ผมก็ตรัสว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายก็เหตุเพียงเท่านี้ พอทีเดียวที่จะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงนี่ถึงขนาดกมลองจะอ้อ น, อนวอนนะอ้อนวอนให้เจริญอนิพพิทานุ ป, ปัสนาสตีเถอะอย่างั้นเน่ยนะควรที่จะเบื่อหน่ายควรที่จะคลายกำหนัดนะพอเพื่อจะคลายกำหนัดพอเพื่อจะหลุดพ้นหนังนี้นะพระสดุลักษณะนี้ไม่ใช่สูตรเดียวนะขนาดพระองค์ก็มีพระมหาการุณาที่คุณน่ยนะตักเตือนด้วยพระสูตรต่างๆเหล่านี้แต่ก็ ที่เราแค่นึกถึงสูตรก็ยังไม่ค่อยนึกเลยนะจํากล่าวไปยายถึงการปฏิบัติเล่าอย่างนั้นชื่อสูตรยังจําไม่ค่อยได้เลยอีกสูตรหนึ่งนะขีระสูตรขีระเป็นชื่อของน้ํำนมเนาะเปรียบน้ํำนมกับน้ําในมหาสมุทรดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายสองสาร น, นี้กําหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้ เธอทั้งหลายจะสาคัญความข้อนั้นเป็นไหนน้ำนมมารดาที่พวกเธอผู้ท่องเที่ยวไปมาอยู่โดยกาลนานี้ดื่มแล้วกับน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไหนจะมากกว่ากันทิ่สูเหลานั้นกลับทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์ย่อมทราบตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแล้วน้ำนมมารดาที่พวกข้าพระองค์ ผู้ท่องเที่ยวไปมาอยู่โดยกาลนานดื่มแล้วนั่นแหละมากกว่าน้ําในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยดูก่อนพิสูจนทั้งหลายถูกละถูกละพวกเธอทราบธรรมะที่เราแสดงแล้วอย่างนี้ถูกแล้วน้ํานมมารดาที่พวกเธอผู้ท่องเที่ยวไปมาอยู่โดยกาลนานดื่มแล้วนั่นแหละมากกว่าน้ําในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยข้อนั้นเพ่อเหหรไร เพราะว่าสงสารนี้กําหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้นะและพระองค์ก็สรุปว่าพอเพื่อจะหลุดพน้นอย่างนั้นแหละสมควรที่จะพอแล้วเนาะอย่างนั้นอีกสูตรหนึ่งนะปัพพะตะสูตรปัปพะตะเป็นชื่อของปัปพะตะนะปอปลามรรยากาศพอพานสองตัวต่อเต่ตปาปอปลานะปัปพะตะปัปพะโตภูเขานะ ปภะตาก็คือเรื่องภูเขานั่นเองณนะครั้งนั้นแหละพิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นเข้าไปเฝ้าแล้วนะตอนหลังลเมื่อภิกษุรูปนั้นนั่งเรียบร้อยแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกับหนึ่งนานเพียงไรหนาะแหละกับหนึ่งนนได้นานไหมนานไหมเขาได้ยินมาแล้วเนาะนานหรือเปล่าเท่าไหร่ อนั่นอสงไขน่นั่นสงไขนะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายกับหนึ่งนานแลมิใช่ง่ายที่จะนับกับนั้นว่าเท่านี้ปีเท่านี้ร้อยปีเท่านี้พันปีหรือว่าเท่านี้แสนปีพิสู่รูปนั้นก็ยังโอ้โหมันเกินแสนนะห่างนันแต่พี่ก็บอกว่าก็พระองค์อาจจะอุ ป, ปมาได้ไหมพระเจ้าค่ะ ลองอุปมาดูสิว่ากลับเนี่ยยาวขนาดไหนของเราฟังแล้วล่ะแต่จําไม่ได้แล้วล่ะอันตรธานแล้ว <c oughs> พระองค์ก็ตรัสว่าอาจอุปมาได้ภิกษุว่าไ ง, งแล้วจึงตรัสต่อไปว่าดูก่อนภิกษุเหมือนอย่างว่าภูเขาหินลูกใหญ่ยาวโยดนึ่งอย่านะภูเขาหินเนี่ยยาวสิบหกิโลเมตรกว้างโยดนึ่งสูงโยดนึ่ง เท่ากับเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะกว้างยาวสูง16กิโลเมตรเหมือนกันไม่มีช่องไม่มีพโพรงเป็นแท่งทึบบุรุษพึงเอาผ้าแคว้นกาสีผ้าเนื้อละเอียดละเอียดนิ่มลื่นเะนี่ยนะมาแล้วปัดภูเขานั้นร้อยปีต่อครั้งนะร้อยปีเนี่ยปัดที ผู้เขาหินลูกใหญ่นั้นพึงถึงการหมดไปสิ้นไปเพราะความพยายามนี้ยังเร็วกว่าแล้วส่วนกับหนึ่งยังไม่ถึงการหมดไปสิ้นไปกับนานอย่างนี้แหละนานนะบรรดากับที่นานอย่างนี้พวกเธอท่องเที่ยวไปแล้วมิใช่กับหนึ่งมิใช่ร้อยกับมิใช่พันกับมิใช่แสนกับ คือกลับอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยนับหนึ่งกลับใช่ไหมเลขศูนห้อยไทยอีกร้อยสี่สิบตัวเรียกว่าหนึ่งอสงไขยพระพุทธเจ้าบําเพ็ญบารมีนะั่นี่อสงไขยเศษอีกแสนกลับจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าอันนี้แบบปัญญาที่กานะอันนี้แบบบําเพ็ญบารมีแบบคนหัวดีที่สุดบําเพ็ญกันนะนะแต่ถ้าคนศรัทธามากเอาศรัทธาเข้าว่าเพิ่มอีกเข้าตัวคูณ2เข้าไปก็8อสองไขยนะถ้าถ้าภาษีอานอยังเงี้ยเนี่ยใช้ความพยายามมากกว่าศรัทธามากกว่าปัญญานี้เพิ่มอีกเข้าตัว คือสิอสงไขยเศษอีกแสนกับน ะ, ะวิริยาธิฏฐิเนี่ยสิศรัทธาเนี่ยแปัญญานี่4พรุทธเจ้าของเราเนี่ยปัญญาทิฏฐิี่อสงไขยเศษอีกแสนกับเหมือนกันเถอะหอสงไขยนะเลขศูนย์ห้อยท้าย1้อยสีตัวคือตามจำนวนทางศาสนาเราเรียกนับไม่ได้และเรียกว่ า, าสงไขยนะตัวเลขก่อนหน้านั้ น, น, นมานับได้หมดเลยนะแต่ตัวเลขเลขศูนย์ห่อยท้าย1้อยสีตัวเนี่ยไม่นับละเลิกนับล้ให้เลยอันหนึ่งอสงไขยเหมือนกัน สังขยะสงขัยเนี่ยแปลว่าการนับนะสังขยะเคยได้ยินนะสังขยะแปลว่าการนับอสังขยะก็คือนับไม่ได้แล้วไม่นับแล้วเพราะงั้นแต่ว่ามันเกินกว่าแสนกับเอกนะที่ท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยมากกว่านั้นมากจนเห็นปั๊บโทรศัเกิดเลยมากไล้เห็นแล้วโลภะเกิดได้เลยอะ่ะมันมันชินขนาดนั้นนะอุปนิสัยเนี่ยสะสมมามากมายขนาดนั้นหลายท่านก็เลยเอาข้อ น, นี้ไปอ้างอะ่ะก็เราเป็นปุถุชนนี่เพราะงั้นอ้างเลย อ้างเพื่ออะไรวะจะได้อยู่ในวัฏฏะต่อไปโดยที่ไม่มีใครตําหนิได้นั่นแนหะอ้างในความเป็นปุตุชนเป็นต้นแทนที่จะสังเวทอ่ะนาะโอ้โหเรานี่มากขนาดนี้เลยไม่สังเวทหรอกอ้โหนี่แหละปุตุชนก็เป็นอย่างนี้แหละท่านเขาว่า น, นะรับสมอ้างไปเลยยินดีในวัฏฏะต่อไปอสัตว์ทั้งหลายนี่เป็นไปตามกรรมจริงๆดูกรพิสูจน์ทั้งหลายก็ด้วยเหตุเพียงเท่านี้พอทีเดียวที่จะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวง พอเพื่อจะคลายกำหนัดพอเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้นะน่าจะพอแลนะ้วเนาะอีกเรื่องหนึ่งนะสาสปะสูตรนี่แปลไม่ได้เรื่องใกล้ใกล้กันก็ไปถามปัญหาเรื่องกลับอีกนั่นแหละพระองค์ก็บอกว่าไม่ใช่ร้อยปีพันปีแสนปีนั่นแหละก็บอกก็พระองค์อาจจะอุปมาได้ไหมพระเจ้าค่ะอาจอุปมาได้ภิกษุแล้วตรัสต่อไปว่า ดูก่อนที่สุเหมือนอย่างว่านาครที่ทําด้วยเหล็กยาวหนึ่งโยต์กว้างหนึ่งโยต์สูงหนึ่งโยต์นะเป็นเมืองที่มีกําแพงสูงขึ้นเนี่ยนะเท่ากับเป็นบอ่บอบ่อหนึ่งว่างั้นเถอะสูงสิบหกิโลเมตรเนี่ยนะเต็มด้วยมเมล็ดพันธุ์ผกาดเมล็ดพันธุ์ผักกาดนิดเดียวนเนาะเล็กกว่าเมล็ดงาเนาะเมล็ดพันธุ์ผักกาดนี้เล็กนิดเดียวเต็มด้วยเมล็ดพันธุ์ผักกาดมีเมล็ดพันธุ์กกาด รวมกันเป็นกลุ่มก้อนบุุรดพึงหยิบเอาเมล็ดพันธุ์กาดเมล็ดหนึ่งเมล็ดหนึ่งออกจากนครนั้นโดยล่วงไปหนึ่งรปีต่อหนึ่งเม็ดร้อยปีต่อเม็ดหนึ่งอะนะเมล็ดพันธุ์กาดกองใหญ่นั้นพึงถึงความสิ้นไปหมดไปเพราะความพยายามนี้ยังเร็วกว่าแลส่วนกลับหนึ่งยังไม่ถึงความสิ้นไปหมดไป กับนานอย่างนี้แหลบรรดากับที่นานอย่างนี้พวกเธอท่องเที่ยวไปแล้วมีใช่หนึ่งกับมีใช่ร้อยกับมีใช่พันกับมีใช่แสนกับข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าสงสารนี้กําหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้นะมันกาหนดไม่ได้นะเพราะมีอะไรนะมีวิชาเป็นเครื่องกลางกัน้นมีตันหาเป็น นะเป็นเครื่องประกอบไว้ก็เป็นไปอยู่อย่างนี้แหละนะเคยใคร เ, เคยมองเห็นอริยสัจหรือยังนะก็บอกว่าทุกขาริยสัจเนี่ยนะมันมันหยาบแต่ว่ามันลึกซึ้งเพราะมองไม่เห็นคือเราว่าเข้าไม่ถึงว่างั้นเถอะนะที่มันลึกอ่ะเพราะไม่เห็นสมุทัยอริยสัจก็หยาบที่ลึกเพราะไม่เห็นนะส่วนมรรคสัจกานีโรสัจเนี่ยลึกซึ้ง ตัวเขาเองก่อนลึกด้วยแล้วก็การตรัสรู้ก็ยากยิ่งนักกว่านั้นแต่ยังไงยังไงก็ทุกขาริยศาสตร์เนี่ยนะก็หยาบหยาบนะก็พอมองเห็นได้ใช่ไหมชาติพิทุกขาเนี่ยที่จริงพระองค์เอาจากคำหยาบที่สุดมาเลยเนี่ยเสร็จแล้วก็ชาชาติชราพยาธิมรณะโสกปริเทวทุกขโทมานัตอุปายาตจนเป็นต้นนะนะเสร็จแล้วก็สังคิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขานีว่าโดยย่อก็คือ อุปาทานขันท่านั่นแหละเป็นตัวทุกนะข์นะขันท่าอยู่ที่ไหนเนี่ยตามองเห็นกับพิษตากับเปรีบกับเปรีบนี่แหละขันทนะ่าน่ะนั่นแหละชาติชาราพยาที่มรณะก็อยู่ตรงนั้นแหละนะก็พอนะที่จะหลุดพ้นเนี่ยนะไม่เป็นไรเอาอีกสูดนึ่งนะเรื่องกับกับเนี่ยนะสาวกสูตรเหมือนกันเถอะอพิสูรูปนั้น ก็ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกับทั้งหลายที่ผ่านไปแล้วล่วงไปแล้วมากเท่าไหรเนากับที่ผ่านไปในอดีตนี่มากเท่าไหร่ว่างั้นครพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายกับทั้งหลายที่ผ่านไปแล้วล่วงไปแล้วมีมากมิใช่ง่ายที่จะนับกลับเหล่านั้นว่าเท่านี้กับเท่านี้ร้อยกับเท่านี้พันกับหรือว่าเท่านี้แสนกับ ก็พระองค์อาจอุ ป, ปมาได้ไหมพระเจ้าค่ะอาจอุ ป, ปมาได้พิสูจทั้งหลายแล้วตรัสต่อไปว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายมีสาวกสีรูปในศาสนานี้เป็นผู้มีอายุร้อปีมีชีวิตร้0ปีหากว่าท่านเหล่านั้นพึงระลึกถอยหลังไปได้วันละแสนกับนั่งระลึกชาติอย่างเดียวเนี่ยนะวันละแสนกับเลยกับที่ท่านเหล่านั้นระลึก ไม่ถึงพึงยังมีอยู่อีกอก็บอกว่าใช้เวลาร้อยปีเนี่ยนะรา ล, ลิกวันละร้อยกับร้อยกับร้อยกับร้อยปีเนี่ยนะร้อยปีนี่กนะี่กี่หมื่นวันนะโอ้หลายหมื่นวันนะก็คูณแสนกลับเข้าไปาก็บอกว่าชีวิตร้อยปีเนี่ยพึงทํากาละโดยล่วงไปร้อยปีร้อยปีโดยแท้แหลกกับที่ผ่านไปแล้วล่วงไปแล้วมีจํานวนมากอย่างนี้แหละมิใช่ง่ายที่จะนับกลับเหล่านั้นว่า เท่านี้กับเท่านี้ร้อยกับเท่านี้พันกับหรือว่าเท่านี้แสนกับข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าสงสารนี้กาหนดบึ้กที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้ะนะแล้วพระองค์ก็ประชุมว่าโอ้พอแล้วเนาะที่จะเบื่อหนายในสังขารทั้งปวงเหมือนั้นเยยาวขนาดนี้นะชีวิตในอดีตมาเนี่ยยาวจริงๆเหมงนั้นเถอะ ยังมีอุปมากลับอีกอย่างหนึ่งนะว่าพราหมณ์คนหนึ่งเนี่ยนะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ปราศัยกับพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงการไปแล้วจึงนั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นพราหม์นั้นนั่งเรียบร้อยแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญกลับที่ผ่านไปแล้วล่วงไปแล้วมากเท่าไรน้อยแรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนพรามณ์ กับทั้งหลายที่ผ่านไปแล้วล่วงไปแล้วมากแลมิใช่ง่ายที่จะนับกลับเหล่านั้นว่าเท่านี้กับเท่านี้ร้อยกับเท่านี้พันกลับหรือว่าเท่านี้แสนกลับข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญก็พระองค์อาจจะอุปมาได้ไหมอาจอุปมาได้พราหมณ์แล้วทรงตรัสต่อไปว่าดูก่อนพราหมณ์แม่น้ําคงคานี้ย่อมเกิดแต่ที่ใด และย่อมถึงสมุทรณที่ใดแนะม่น้ํำคงคาเนี่ยนะตั้งแต่ต้นน้ําไหลไปจนถึงทะเลใช่ไห ม, มเมล็ดทรายในระยะนี้ไม่เป็นของง่ายที่จะกําหนดได้ว่าเท่านี้เม็ดเท่านี้ร้อยเม็ดเท่านี้พันเม็ดหรือว่าเท่านี้แสนเม็ดเป็นมเมล็ดเนี่ยนะเอาเม็ดทรายแม่น้ํำคงคาเนี่ยเนาะยาวขนาดนั้นเหมือนกันดูก่อนพราหมณ์ กับทั้งหลายที่ผ่านไปแล้วล่วงไปแล้วมากกว่ามเมล็ดทรายเหล่านั้นอีกนะยังกลับเนี่ยนะยาวกว่านั้นอีกเนาะมิใช่ง่ายที่จะนับกับเหล่านั้นว่าเท่านี้กับเท่านี้ร้อยกับเท่านี้พันกับหรือว่าเท่านี้แสนกับเมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชาเป็นที่กลางกัน้นมีตันหาเป็นเครื่องประกอบไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นไม่ปรากฏสัตว์เหล่านั้นได้เสวยทุก ความเผ็ดร้อนความพินาศได้เพิ่มพูนปัติพีที่เป็นป่าชา้าตลอดกาลนานเหมือนฉะนั้นดูก่อนพรามก็ด้วยเหตุเพียงเท่านี้พอทีเดียวเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอเพื่อที่จะคลายกำหนัดพอเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วพรามผู้นั้นได้กราบทูลว่าแจมแจ้งยิ่งนะักท่านพระโคดม แกแจ้งยิ่งนักท่านพระโคโดมขอท่านพระโคโดมจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสารณะจนตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปของเราถึงสารณะนานแล้วนะก็เลยไม่ต้องกล่าวแบบนี้นะอยาวจริงๆนะสังสารวัตนี่นานมากอีกสูตรหนึ่งนะ ทันดาสูตรว่า ง, งั้นดูก่อนพิสูุนทั้งหลายสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเราสัตว์ผู้มีวิชาเป็นที่กลางกัน้นมีตันหาเป็นเครื่องประกอบไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏดูก่อนภิกูุ์ทั้งหลายท่อนไม้ที่บุคคลโยนขึ้นบนอากาศบางคราวก็ตกลงมาทางโคนบางคราวก็ตกลงมาทางขวางบางคราวก็ตกลงมาทางปลาย แม้ฉันใดสัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นที่กางกัน้นมีตันหาเป็นเครื่องประกอบไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่ก็ฉันนั้นแลบางคราวก็จากโลกนี้ไปสู่ปาโลกบางคราวก็จากปาโลกมาสู่โลกนี้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าสองสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้ที่สุดพระองค์ก็สรุปว่าพอเพื่อที่จะหลุดพ้นดังนี้ แสดงว่าถ้าไม่มีอวิชชาเป็นเครื่องกลางกันเจพรคนะงแล้วก็ไม่มีตันหาผูกติดไว้นะก็คงจงแะแหวกออกมาจากสังสารวัตรได้ถ้าเราสนทนาเป็นภาษาเราเรากันเองนั่งกันอยู่นี่เนะี่ยใครอยากจะหลุดจากการเห็นแบบนี้บ้างนึกอยากหลุดขึ้นมาเลยนะฟังมาตั้งนานเนี่อรู้สึกบ้างหรือเปล่าอย่างนี้ย นึกเบื่อการเห็นไหมใช่ไหมเจนฮะนึกเบื่อการเห็นไหมนึกเบื่อการคิดนึกไหมจริงๆแล้วนะจริงๆแล้วไม่เคยคิดนะ <c oughs> กลับไปคิดว่าเออถ้าไม่ได้เห็นมันจะเป็นยังไงไม่สนุกเอ่ะทร ม, มานเหลือเกินเนี่ยนะถ้าใครลองมาปิดตาสักขาวนาทีเนี่อยอทุกจริงๆเลยนะท <c oughs> ร ม, มานมากนะมีอะไรมาอุดหูสักสิบนาทีไม่ได้ยินเลยนี่ไม่ ยังไงนะนะก็ไม่เป็นไรก็เห็นต่อไปกันแล้วกันยังไงก็เห็นอยู่แล้วมีอวิชชาเป็นเครื่องกลางกั้นเนี่ยน ะ, ะถ้าไม่มีอวิชชาก็ต้องมีไม่มีไม่ใช่ไม่มีอวิชชาอย่างเดียวนะอ้ะอาวิชชานี่เป็นมูลของวตต ะ, ะถ้าบอกว่าอาวิชชาซะอย่างเดียวเนี่ยอวิชชาได้แก่โมหะเจตสิก<ม>ที่เกิดร่วมกับกอากุศลจิต12ดวง เพราะฉะนั้นพูดอวิชัยอย่างเดียวเนี่ยที่เหลือมาหมดแล้วเหมือนจะพูดสตินะสัพชัญญาต้องมาด้วยเจนพรใช่ถ้าพูดถึงจิตเจตสิกต้องมาด้วยใช่เจนพร อ, อ, อีกสูตรหนึ่งนะบุคละสูตรว่า ง, งั้นเถอะเหมือนโครงกระดูกบุคคล น, นะฟังใหม่ดูความพิสูจทั้งหลายสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้ก็ความกละ เมื่อบุคคลหนึ่งท่องเที่ยวไปมาอยู่ตลอดกับเอาแค่กับเดียวเนยพึงมีโครงกระดูกร่างกระดูกกองกระดูกใหญ่เท่าภูเขาเวปุระนี้เขาเวปุร ะ, ะนะใกล้ๆเมือรรงราชคึกนั่นแหละถ้ากองกระดูกนั้นพึงเป็นของที่จะขนมารวมกันได้และกระดูกที่ได้สะสมไว้แล้วไม่พึงหมดไปข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะว่าสงสารกำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้กับเดียวเนี่ยนะกระดูกเนี่ยใหญ่กว่าเขาเวปุระมไม่ธรรมดานะสอบเดียวก็พอเนี่ยนะพระผู้มีพระภาคผู้สุคศาสดาครั้นได้ตรัสวยากรณะพาสิทธนี้แล้วจึงตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปว่าเราผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่คาว่าคุณอันยิ่งใหญ่คือ ผู้สแสวงหาศีละคุณอันยิ่งใหญ่ผู้สแสวงหาสมาธิคุณอันยิ่งใหญ่ผู้สแสวงหาปัญญาที่คุณอันยิ่งใหญ่สแสวงหาวิมุตติคุณอันยิ่งใหญ่และก็สแสวงหาวิมุตติยานัศสนคุณอันยิ่งใหญ่เนี่ยนะได้กล่าวไว้ดังนี้ว่ากระดูกของบุคคลคนหนึ่งที่สะสมไว้กับหนึ่งพึงเป็นกองเท่าภูเขา ก็ภูเขาที่เรากล่าวนั้นคือภูเขาใหญ่ชื่อว่าเวปุระอยู่ทิศเหนือของภูเขาคิจกูฏเป็นไงไม่เคยเห็นเลยนะนึกไม่ออกเลยใกล้เมืองราชครึกอันมีภูเขาล้อมรอบนะก็อยู่ทางทิศเหนือเขาคิจกุฏนะเมื่อใดบุคคลเห็นอริยสัจคือทุกเหตุเกิดแห่งทุกความล่วงพ้นทุกข์ และอริยมรรคมีองค์8อันอังสัตว์ให้ถึงความสงบทุกข์ด้วยปัญญาอันชอบเมื่อนั้นเขาท่องเที่ยวเจ็ดครั้งเป็นอย่างมากก็เป็นผู้ทําที่สุดทุกข์ได้เพราะสิ้นสังโยชน์ทั้งปวงดังนี้แหลนะน้าแทงตลอดอริยสัจเป็นพระโสดาบันแล้วก็อีกไม่เกินเจชาตินะอีกสูตรหนึ่งนะคล้ายๆกันนะอันนี้ฟังเรื่องสังสารวัตรบ้งนะ พระองค์ได้ตรัสกับพิสูจนทั้งหลายว่าดูกรพิสูจน์ทั้งหลายสงสารนี้กําหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชาเป็นที่กางกัน้นมีตันหาเป็นเครื่องประกอบไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏเธอทั้งหลายเห็นทุกขตะบุรุษผู้มีมือและเท้าไม่สมประกอบ <c oughs> เคยไปเห็นขนขาขาลีบมือลีบมือพิการเท้าพิการขาพิการนี่เคยเห็นนะ่ะเนาะ พึงลงสันนิฐานในบุคคลนี้ว่าเราทั้งหลายก็เคยเสวยทุกเห็นปานี้มาแล้วโดยกาลนานี้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้นะไปเห็นมหาทุขตะเข็นใจเนี่ยนะมือก็หงิกงอเป็นต้นเนี่ยมือรีบเท้ารีบนะเห็นแล้วก็บอกเออเราก็เคยเป็นอย่างนั้นแหละอีกสูตรหนึ่งก็คือ ลักษณะเดียวกันว่าเธอทั้งหลายเห็นบุคคลผู้เพียบพร้อมด้วยความสุขมีบริวารคอยรับใช้พึงลงสันนิษฐานในบุคคลนี้ว่าเราทั้งหลายก็เคยเสวยสุขเห็นป่านนี้มาแล้วโดยกาลนานี้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าสงสารกำหนดที่สุดเบือเบ้องต้นเบื้องปลายไม่ได้นะก็เรียกว่าเคยต่ําต้อยถึงที่สุดแล้วก็เคยสูงถึงที่สุดเหมือนกันนะก็วนเวียนสลับกันไปอยู่อย่างนี้แหละ เพราะว่าโลกนี้ใครมีบุญมากก็สูงหน่อยใครบุญน้อยหน่อยก็ต่ำหน่อยอย่างเงี้ยอีกสูตรหนึ่งก็คือกล่าวถึงภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนะพระเวรุวันกลันตกะนิวาปสถาน กรุงราชคครึกครั้งนั้นภิกษุชาวเมืองปาวยิะาวยะประมาณ30รูปทั้งหมดล้วนแต่เป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัดถือเที่ยวบินทบาตเป็นวัดถือผ้าบังสกุลเป็นวัดถือทรงผ้าตรายจีวรเป็นวัดสมาทานทุดงันนะแต่ทั้งหมดล้วนยังเป็นผู้มีสังโยชน์อยู่คื อ, อยังเป็นพระอนาคามีอยู่นะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมแล้วนั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่ง คั้งนั้นแหลพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงดำริว่าพิสูชาวเมืองปาวยะประมาณ30รูปเหล่านี้แลทั้งหมดล้วนถือการอยู่ป่าเป็นวัดถือเที่ยวบินทบาทเป็นวัดถือผ้าบังสกุลเป็นวัดถือทรงไตรจีวรเป็นวัดทั้งหมดล้วนยังมีสังโยท่ากะไรเราพึงแสดงธรรมะโดยประการที่พิกสูเหล่านี้จะพึงมีจิตหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นณนะอาสนนี้ทีเดียว ว่าไงเถอะมองเห็นเลยแล้วว่าถ้าแสดงทำนะหลุดพ้นทั้งหมดเลยลำดับนั้นแหลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรเรีกพิสูททั้งหลายว่าดูก่อนพิสูททั้งหลายภิสษุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญว่าไพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่าดูก่อนพิสูททั้งหลายสงสารนี้กาหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้ เมื่อเหล่าสัตว์ผู้ยังมีอวิชาเป็นที่กลางกั้นมีตันหาเป็นเครื่องประกอบไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏพวกเธอจะสาคัญความข้อนั้นเป็นไฉนะโลหิตนะเลือดนะนะที่หลั่งไหลออกของพวกเธอผู้ท่องเที่ยวไปมาซึ่งถูกตัดศีรษะโดยกาลนานี้นะถูกตัดหัวเนยนะ ที่เลือดหลังไหลออกมาเนี่ยกับน้ําในมหาสมุทรทั้งสี่สิ่งไหนจะมากกว่ากันพิสูจนทั้งหลายก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายย่อมทราบธรรมะตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแล้วว่าโลหิต ท, ที่หลังไหลออกของพวกข้าพระองค์ผู้ท่องเที่ยวไปมาซึ่งถูกตัดศีรษะโดยกาลนานนี้แหละมากกว่า ส่วนน้ําในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยดังนี้นะถูกตัดคอเนี่ยนะสม่ยก่อนเนี่ยถ้าได้กบมาเนี่ยตัดหัวนะเลือดมันก็ไหลออกนะทีนี้ถ้าวัวก็เหมือนกันนะถ้าเขาตัดคอวัวนะตัดอะไรเป็นต้นเนี่ยเลือดก็จะหลั่งออกมาแค่ผ่าตัดนี่ก็เลือดออกมาทั้งเยอะแล้วนะถอนปันนี่เลือดออกทั้งเยอะเลยนะดูความพิสูจนทั้งหลายถูกละถูกละ พวกเธอทราบธรรมะที่เราแสดงแล้วอย่างนี้ถูกแล้วเลือดที่หลั่งไหลออกของพวกเธอผู้ท่องเที่ยวไปมาซึ่งถูกตัดศรีรษะโดยการนานนี่แหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยเมื่อเธอทั้งหลายเกิดเป็นโคซึ่งถูกตัดศรีรษะตลอดการนานเลือดที่หลั่งไหลออกนั่นแหละมากกว่า ส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยเมื่อเธอทั้งหลายเคยเกิดเป็นกระบือกระบือกรกระบนี่เหมือนกันก็คือควายนั่นแหละซึ่งถูกตัดศีรษะตลอดกาลนานเลือดที่หลังไหลออกนั่นแหละมากกว่านะตอนที่ชาติเกิดเป็นควายอย่างเดียวเนี่ยนะเลือดก็มากกว่าน้ำในมหาสมุทรแล้วที่ถูกตัดหัวเมื่อเธอทั้งหลายเคยเกิดเป็นแกะเกิดเป็นแพะเกิดเป็นเนื้อ เกิดเป็นสุกรและเกิดเป็นไก่เมื่อพวกเธอถูกจับตัดศรีรษะโดยข้อหาว่าเนะฉพาะชาติที่เคยเป็นโจรเนี่ยนะเป็นโจรฆ่าชาวบ้านตลอดกาลนานเลือดที่หลั่งไหลออกมานั่นแหละมากกว่าถูกจับตัดศรีรษะโดยข้อหาว่าเป็นโจรคิดปล้นนะปล้นราชบัลลังก์เป็นต้นเนี่ยนะก็ถูกจับเชือดเลย ถูกจับตัดสีษะโดยข้อหาว่าเป็นโจรประพฤติผิดในภรรยาของผู้อื่นโดยตลอดกาลนานเลือดที่หลั่งไหลออกนั่นแหละมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสีไม่มากกว่าเลยข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าสงสารนี้กาหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้นะข้อความก็ละบอกว่าพอเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัส ด, ดังนี้แล้วภิกษุเหล่านั้น ต่างพอใจชื่นชมภาสิทธ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสวยาการณะภาสิทธินี้อยู่จิตของพิกสุชาวเมืองปาวยะประมาณสามสิบรูปพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นนะบรรลุเลยเอาก็พิจารณาถึงความเบื่อหน่ายนะก็การประกาศอย่างนั้นก็คือประกาศเน้นที่นิพพิทายานเป็นต้นนั่นเองนะ ซึ่งพิสูจน์เหล่านี้เป็นผู้ที่มีศีลดีอยู่แล้วใช่ไหมทุดงเนี่ยนะพระ ท, ที่ทรงทุดงตามนี้เนี่ยท่านเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์อยู่แล้วนะแล้วเป็นพระอริยะมาก่อนนะด้วยนะแล้วตอนหลังก็มาฟังสูตรนี้ก็บรรลุเป็นพระอรหันต์นลแล้วก็อีกสูตรหนึ่งนะบอกว่าผู้ที่ไม่เคยเป็นมารดาโดยการละนานี้ก็ไม่ใช่หาได้ง่ายเลยนะ แล้วก็ผู้ที่ไม่เคยเป็นบิดาโดยการนานี้ก็หาไม่ได้ง่ายเลยสัตว์ที่ไม่เคยเกิดเป็นพี่ชายน้องชายโดยการนานี้ก็ไม่ใช่หาได้ง่ายเลยไม่เคยเป็นพี่หญิงน้องหญิงโดยการนานี้ก็ไม่ใช่หาได้ง่ายเลยที่ไม่เคยเกิดเป็นบุตรโดยการนานี้ก็ไม่ใช่หาได้ง่ายเลยนะแล้วก็ที่ไม่เคยเกิดเป็นทิดาก็หาไม่ได้ง่ายเลยนะ เกิดเป็นลูกชายเกิดเป็นลูกสาวเนี่ยนะอีกสูตรหนึ่งนะเพื่อให้เห็นความเป็นไปของพระพุทธศาสนานะ<ม>ว่าความเป็นไปของภูเขาเวปุละสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณภูเขาคิจกูดกรุงราชเครือกณนะที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกพิสูจนทั้งหลายว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลาย พิสูจเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญดังนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัส ด, ดังนี้ว่าดูความพิสูจทั้งหลายสงสารนี้กําหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นที่กลางกัน้นมีตันหาเป็นเครื่องประกอบท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏดดูความพิสูจทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแลว้วเวปุระบรรพจนี้ ได้เชื่อว่าปาจีนวังสระในอดีตการนี้คนละชื่อกันนะนเชื่อว่าปาจีนวังสะสมัยนั้นแหลมู่มนุษย์ได้ชื่อว่าติวรามู่มนุษย์ชื่อว่าติวรามีอายุประมาณสี่หมืนปีหมู่มนุษย์ชื่อว่าติวราขึ้นปาจีนวังสะบันพศเป็นเวลาสี่วันลงก็เป็นเวลาสี่วันนะสมัยที่มนุษย์มีอายุ 40,000 ปีเนี่ยนะสมัยนั้นแลพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากะกุสันทะอุบัติเกิดขึ้นในโลกนะพระพุทธเจ้าองค์แรกในกลับนี่นะตรัสโรเมื่อสมัยที่มนุษย์อายุ 40,000 ปีพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากะกุสันทะมีภาษาวกคู่หนึ่งเป็นคู่เลิศเป็นคู่เจริญชื่อว่าวิธุระและสันชีวะ ดูความพิสูจน์ทางหลายพวกเธอจงดูเธอชื่อแห่งภูเขานี้นั้นแลอันตรธานไปแล้วมนุษย์เหล่านั้นกระทํากาละไปแล้วและพระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นก็ปรินิพานแล้วสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้ไม่ยั่งยืนอย่างนี้ไม่น่าชื่นใจอย่างนี้เนี่ยพระองค์เนี่ยประกาศถึงตรายักษณ์ในอดีตเลยโดยที่ไม่ต้องโยงเข้ามาปัจจุบันเล ดูความพิสูจนทั้งหลายก็เหตุเพียงเท่านี้พอที่เดียวเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอเพื่อจะคลายกำหนัดพอเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้นะเนี่ยนประกาศอริยสัจอดีตอย่างเดียวเลยนะประกาศไตรลักษนณะ์ในอดีตอย่างเดียวดูความพิสูจนทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วภูเขาเวปุระนี้มีชื่อว่าวงกฎสมัยนั้นแลม่มนุษย์ชื่อว่าโรหิตตะมีอายุประมาณสาม0 0ื่นปีมนุษย์ชื่อว่าโรหิตตะขึ้น <c oughs> ขึ้นเขาวงกฏเป็นเวลาสามวันลงก็เป็นเวลาสามวันสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าโกนาคามณนะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าโกนาคามณนะมีภาษาคู่หนึ่งเป็นคู่เลิศเป็นคู่เจริญ ชื่อว่าพเพโยพโยสและอุตระดูก่านพิสูจน์ทั้งหลายพวกเธอจงดูเธอชื่อแห่งภูเขานี้นั้นแลอันตรทานไปแล้วมนุษย์เหล่านั้นทำกาละไปแล้วและพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นก็ปรินิพานแล้วสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้ข้อความก็ละนะพอเพื่อจะหลุดพ้น โดยการพิสูจน์ทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแลว้วเวปุระบรรพจนี้มีชื่อว่าสุปสสะสมัยนั้นแล่หมู่มนุษย์ชื่อว่าสุปิยามีอายุประมาณสองห 0,000 ื่นปีหมู่มนุษย์ชื่อว่าสุปิยาขึ้นสุปสสะบรรพจนเป็นเวลาสองวันลงก็เป็นเวลาสองวันสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคอรหันต์ตัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสะเสด็จอุบัติขึ้นในโลก พระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะได้มีภาษาวกคู่หนึ่งเป็นคู่เลิศเป็นคู่เจริญเชื่อว่าติดสะและภาระทวชะดูความพิสูจนทั้งหลายพวกเธอจงดูเถิดชื่อแห่งภูเขานี้นั้นแลอันตรธานไปแล้วมนุษย์เหล่านั้นกระทํากาละไปแล้วและพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นก็ปรินิพานแล้วสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้แลอ่า น, นะก็สรุปว่า พอเพื่อจะหลุดพ้นดยความพิสูน์ทั้งหลายก็บัตรนี้แลภูเขาเวปุระนี้มีชื่อว่าเวปุระทีเดียวก็บัตรนี้หมู่มนุษย์เหล่านี้มีชื่อว่ามาคระทะนะเมืองนั้นชื่อว่าเมืองมคตนะนะหมู่มนุษย์ที่ชื่อว่ามากระทะนะก็คือประชาชนชาวมคตเนี่ยนะมีอายุน้อยนิดหน่อยผู้ใดมีชีวิตอยู่นานผู้นั้นมีอายุเพียงร้อยปี น้อยกว่านั้นก็มีเกินกว่านั้นก็มีหมู่มนุษย์ชื่อว่ามาคทะขึ้นเวปุระบรรพตเพียงคู่เดียวและบัดนี้พระตถาคตอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้คือพระองค์นั่นแหล ะ, สะเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลกก็แลเรามีสาวกคู่หนึ่งเป็นคู่เลิศเป็นคู่เจริญชื่อสารีบุตรและโมฆลลานะดูความพิสูจนทั้งหลายสมัยนั้นก็จักมี และชื่อแห่งภูเขานี้ก็จักอันตรธานหมู่มนุษย์เหล่านี้จักทำกาละและเราก็จักปรินิพานดูก่อนพิสูจนทั้งหลายสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้ไม่ยั่งยืนอย่างนี้ไม่น่าชื่นใจอย่างนี้ดูก่อนพิสูจทั้งหลายก็ด้วยเหตุเพียงเท่านี้พอทีเดียวเพื่อจะเบือหน่ายในสังขารทั้งปวงพอเพื่อจะคลายกำหนัดพอเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้แล้วพระองค์ก็ทรงตรัสเป็นคาถาประพันธ์ว่า ปาจีนะวังสะบรรพศของหมู่มนุษย์ชื่อว่าติวระวงกฏบรรพศของหมู่มนุษย์ชื่อว่าโรหิตักดิสุปัสสะบรรพศของหมู่มนุษย์ชื่อว่าสุปิยาและเวปุระบันพศของหมู่มนุษย์ชื่อว่ามากทะสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีอันเกิดขึ้นแลเสื่อมไปเป็นธรรมดาครั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปความที่สังขารเหล่านั้นสงบระงับไปเป็นสุขเคยได้ยินบ่อยนะ อันนี้จาวัตสังคาราอุปาธวยธรรมนิโนุปาาัปชิตวานิรุชันติเตสังอุปสโ ม, มสุโคนัยยินบ่อยนะเกือบทุกงานเลยแหละเพราะนั้นคาถานี้เป็นสรุปให้เห็นถึงความไม่จีรังยั่งยืนคือเขาบอกว่าระหว่างในอัตถกถาท่านบอกว่าแผ่นดินเนี่ยนะจากผู้ศาสนาองค์หนึ่งถึงองค์หนึ่งเนี่ยสูงหนึ่งยชดสิบหกกิโลเมตรนะ อันใครที่จะรอพระศีอานก็รอให้แผ่นดินสูงขึ้นอีก16กิโลเมตรก็จะได้เกิดเห็นนี้หรอกคงจะได้เจอกันครับยังยังปาถนาจะเจอเอีกไม่เจอทำไงได้ยิ่ง <c oughs> เจอดีแะละ้วแล้ว <c oughs> ไม่เจอไม่รู้ไป่ไห น, น <c oughs> ก็เวลาก็หมดจนพอดีครับ